ก็พอเสร็จแล้วก็ม้วนแผ่นทองคํา่านด้วยผ้ากําพลเนื้อละเอียดใส่ไปในหีบวางไว้ในหีบทองคํเนาะแล้วก็ใส่หีบทองคําลงในหีบเงินใส่หีบเงินในหีบแก้วมันีใส่หีบแก้วมันีไว้ในแก้วประพันธ์ใส่หีบแก้วประพานไว้ในหีบทับทิมใส่หีบทับทิมไว้ในหีบแก้วมรกตแล้วก็ใส่ในหีบแก้วผลึกใส่ในหีบงาแล้วก็หีบรัตนะทุกอย่างวางหีบทุกอย่างลงในหีบเสือลําแผน โอ้โหเขาเคารพมากเลยจดหมายฉบับนีน้ของเราวางพระไตรปิฎกไว้ตรงไหนกัน<ร>นะของเราเนี่ยวางไว้ตรงไหนนะถ้ใครเคารพนะกราบพระไตรปิฎกเลยจเจ้าดีเดี๋ยวไม่ใช่ไปวางพระไตรปิฎกไว้เรียราดไปหมดเลยนะแม่เคารพเลยพระเจ้าพิมพ์ษษมนะมิสารนี่เคารพมากนะนะพระองค์ก็ใส่ถีบไว้ในพระอบเหล่านี้ไว้อย่างแข็งแรงพระองค์ก็ทรงวางพระอบแข็งแรงไว้ในพระอบทองอีกแล้วก็นําไปโดยนายก่อน แล้วก็วางะอบที่ทำด้วยรัตนะทุกอย่างลงในะอบที่ทำด้วยเสือลำแผนแล้วก็ใส่ไว้ในหีบไม้เก่น<ๆ>ก็นำไปโดยนัยดังกล่าวแล้วทรงวางหีบที่ทำด้วยรัตนะทุกอย่างลงในหีบที่ทำด้วยเสือลำแผนข้างนอกทรงผ้าด้วยพันผ่านด้วยภาพประทับตราพระราชลัญชกรสั่งอัมมาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงตกแต่งทางไปทางในสถานที่ ซึ่งอยู่ในอำนาจของเราให้กว้างแอุสสะสถานที่4ี่อุสสะะต้องให้งามเสมอท่านทั้งหลายจงตกแต่งสถานที่4อุปสภะในถามกลางด้วยอนุภาพของพระราชาเนี่ยนะก็สั่งประชาชนว่าสร้างถนนตลอดบริเวณเนี่ยเพื่อพระไตรปิฎกจะได้โคจรไปได้เนี่ยนะนะพระราตนนจะได้เสด็จไปสู่ตัจจันทชนบทอย่างน้นะแต่นั้นก็ทรงส่งทูต ด, ด่วน แกข้าราชการภายในว่าจงประดับช้างมงคลจัดบัลลังก์บนช้างนั้นยกสเสวตฉัตรทำถนนพรนครให้สวยงามประดับประดาอย่างดีด้วยธงปะตากอันงดงามต้นกล้วยหม้อน้าที่เต็มทูบของหอมทูบดอกไม้เป็นต้นจงทาบูชาเห็นปานี้ในสถานที่ครอบครองของตนของตนดังนี้ก็คือให้กษัตริย์ที่อยู่ในละแวกเนี่ยนะที่ที่ดูแลอนณาเขตนั้นๆเนี่ยจะต้องทาบูชาแบบนี้นะ ส่วนพระองค์เองก็ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างอันกองกําลังพร้อมด้วยดนตรีทุกชนิดแวดล้อมทรงพระราชดำริว่าเราจะส่งบรรณาการไปดังนี้ก็เสด็จไปจนสุดพระราชอาณาเขตของพระองค์แล้วก็ได้พระราชทานพระราชสารสําคัญแก่อมาตและตรัสว่าดูก่อนพ่อพระเจ้าปกุาติพระสหายของเราเมื่อจะทรงรับบรรณาการนี้อย่ารับในท่ามกลางตําหนักนางสนมกํานัน อย่าไปเชิญนางสนมนางกำนันมาด้วยนะเวลารับเครื่องบรรณาการอันนี้เหมือนกันจงเสด็จขึ้นปราสาทและสรงรับเถิดเนี่ยนะนี่แสดงว่าขัดขวางมากเลยนะสนมกำนันเนี่ยไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่เคยรู้เรื่องนะทีนี้พอก็ให้ขึ้นบนปราสาทเนี่ยนะแล้วก็รับครั้นพระราชทานพระราชสาร น, นี้แล้วก็ทรงนำ ร, ราชดัมเรว่าพระาศาสดาเสด็จไปสู่ปัจจันตชนบท ทรงนมัสการด้วยเบญจางค่ะประดิษฐ์แล้วก็เสด็จกลับไปกราบเลยเนีกราบงามๆเลยนะ ต, ต่อพระราชสารนั้น ๆ, ๆนะส่วนข้าราชการภายในทั้งหลายก็ตบแต่งหนทางโดยทํานองนั้นเทียวนําไปซึ่งพระราชบรญญการฝ่ายพระเจ้าปุกุสาติทรงตกแต่งทางโดยทํานองนั้นตั้งแต่ราชสีมาของพระองค์ทรงให้ประดับประดาพระนครได้ทรงกระทําการต้อนรับพระราชบัญญการพระราชบัญญการเมื่อถึงพระนครตักกศิลา ได้ถึงในวันอุโบสถนะนะสิบห้าคำพอดีเลยฝ่ายอัมมาตผู้รับพระราชบัญการก็ไปทูลบอกพระราชสารที่กล่าวแล้วแด่พระราชาพระราชาก็สดับพระราชสารนั้นแล้วทรงพิจารณากิจที่ควรทำแก่อัมมาตทั้งหลายผู้มาพร้อมกับพระราชบัญการทรงถือพระราชบัาการเสด็จขึ้นสู่พระปราสาทและตรัสว่าใครใครอย่าเข้ามาในที่นี้ทรงให้ทาการรักษาที่พัทวาน ทรงเปิดพระสีหบัญชรเปิดหน้าต่างวางพระราชบณญการบนที่พระบันทมสูงส่วนพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะต่ำทรงทำลายรอยประทับเปลืองเครื่องห่อหุ้มเมื่อทรงเปิดโดยลำดับจำเดิมแต่หีบเสือลำแพนจนเห็นหีบแก่นจันทร์ ทรงราชดําริว่าขึ้นชื่อว่ามหาบริวารนี้จักไม่มีแกรัตนาอื่นรัตนาที่ควรฟังได้เกิดขึ้นแล้วในมัชชิมประเทศแน่แท้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่ดูด้วยตาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรฟังใช่ไหมลำดับนั้นก็เปิดหีบนั้นแล้วก็ทําลายรอยประทับ พ, พระราชลัญชกรเนี่ยลัญชนะเนี่ยก็คือลัญชกรนั่นแหละทรงเปิดผ้ากําพลอันละเอียดทั้งสองข้างเห็นแผ่นทองคํา พระองค์ทรงคลี่แผ่นทองคำนั้นออกดําเรศว่าพระอักษรทั้งหลายน่าพอใจจริงนหนอลายมือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยงามมากเลยนะมีหัวเท่ากันมีระเบียบเรียบร้อยสีมุ ม, มดีอันนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับตัวพิมเลยนะเหมือนกับตัวพิมพ์เลยงามมากทรงปรารภเพื่อจะทรงอ่านจำเดิมแต่ต้น พระโสมนัสมีกําลังได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ที่ทรงอ่านแล้วอ่านอีกซึ่งพระพุทธคุณทั้งหลายอ่านพุทธคุณแล้วก็โสมนัสดีใจอ่านแล้วอ่านอีกว่าอีธาตถาคโตะโรเกพระตาตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกขุมพโลมา 90,000 มื่นเก่นเก้าพขุมก็มีปลายพะโลมาชาติชูชันนะขนลุกเลยนะ พระองค์เนี่ยไม่ทรงทราบถึงความที่พระองค์เนี่ยประทับยืนหรือประทับนั่งไม่รู้ตัวเลยลำดับนั้นปีติอันมีกำลังเป็นอย่างยิ่งได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์อ่านพระพุทธคุณก็ปีติมากเลยนะใครอ่านพุทธประวัติแล้วก็เฉยๆแสดงว่าห่างจากพระเจ้าปกุศสติมากนะแล้วก็อ่านพออ่านพระธรรมก็ปีติมากว่าเรานี้ได้ฟังพระศาสนาที่หาได้โดยยากนี้แม้โดยแสนโกรธกับ เพราะอาศัยภาษาไทยพอได้อ่านพระธรรมแล้วก็ปีติมากอ น, นะหลายคนก็บอกว่าอ่านพระธรรมแล้วปีติมากเลยเขาว่ายิ่งอ่านบทไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วอ่านเข้าใจนะปีติมากพนะแต่ก็มีอ่านแล้วก็เครียดเลยก็มีเหมือนกันนะอ่นนั่นแนหะปีติแห่งแร้งมากเลยนะอ่านแล้วเครียดเลยนะ ก็ไม่นึกแบบพระเจ้าปุกุสาติวา่าหูเนี่ยคำสอนนี่หาได้ยากนะตลอดแสนโกดกับเนี่ยนะดีใจที่ได้อา่านคำนได้อ่านคําสอนที่หาได้ยากตลอดแสนโกดกับพระองค์เมื่อไม่อาจจะทรงอ่านต่อไปก็ประทับนั่งจนกว่าปีติจะสงบเออบางคนนี่เขาเป็นเอาขนาดนั้นเลยนะเขาอ่านแล้วก็ปีติมากเลยนะเขาต้องปิดหนังสือไว้ก่อนให้ปีติมันหายแล้วค่อยอ่านต่ออนะไรบางคนก็ปีติขนาดนั้น แล้วก็ปราระธรรมคุณทั้งหลายต่อไปว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงมีพระปีติแม้อย่างนั้นในพระธรรมคุณนั่นเทียวปีติโอดีใจเหลือเกินเนี่ยนะโสมันัทปลื้มขนลุกหมดเลยพระองค์ประทับนั่งอีกจนกว่าความสงบแห่งกําลังปีติปรารบพระสังฆคุณทั้งหลายต่อไปว่าพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นต้นเนี่ยนะ แม้ในพระสังฆคุณนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระปีติอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยนะอ่านพุทธคุณก็ปีติอ่านพระธรรมคุณก็ปีติอ่านพระสังฆคุณก็ปีติใครอ่านเทระคถาเทรีคถาแล้วปีติบ้างกัรนนะีนั่นแหละครัเราว่าแสดงว่าอ่านสังฆคุณแล้วปีตินี่กนะันลำดับนั้นพระองค์ก็ทรงอ่านอาณาปานาสติกรรมฐานในลำดับสุดท้ายทรงยังฌานหมวดสและหมวด5ให้เกิดขึ้นอ่านนี่ไม่ได้อ่านธรรมดานะอ่านแล้วกาหนดลมหายใจได้ฌานสี่ฌาน5้าเลยนะ รองอยังเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขในฌานนั่นแหละอ่านจบแล้วเจริญฌานกําหนดลมหายใจได้ฌานเลยอ่ะเก่งมากเพราะะฉนนั้พอได้ฌานก็อยู่ความสุขในฌานก็เลยใครไม่ต้องเห็นกันแล้วนะกิจราชกิจการบ้านเมืองไม่ทําสักอย่างนั่งเข้าฌานอย่างเดียวมหาเล็กประจําพระองค์คนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้นะเข้าไปส่งอาหารไปถ ว, ถวายน้ําไม้สีฟันอะไรนิดถวายอาหารเท่านั้นแหละ ที่เหลือไม่ให้ใครเข้าเฝ้าเลยนะนั่งเข้าฌานอย่างเดียวเลยนะคิดดูนะวังอะไรก็ไม่สนใจสักอย่างชาวพระนครทั้งหลายก็ประชุมกันในพระลานหลวงได้ทำการโ h o ร้องตะโกนว่าจำเดิมแต่วันที่พระราชาทรงรับพระราชบัญญการแล้วไม่มีการทอดพระเนตรพระนครอนานะการทอดพระเนตรดูกาดูนางฟอ้อนราก็ไม่มีอ่นนะไม่มีการพระราชวิริชัยสมัยก่อนเนียกษัตริย์ต้องเป็นตุลาการอ น, นะเป็น เจ้าเป็นผู้ที่คอยตัดสินคดีนี้ก็ไม่วินิจฉัยอะไรสักอย่างและพระราชาเนี่ยจงทรงพระราชทานพระราชบ ร, รัญการที่พระสหายส่งมาให้แก่ผู้รับไปเถิดเขาบอกเอาไปทิ้งเถอะบรัญรการานั้นทําไมเนี่ยนะอ่านแล้วก็ปิดวังตั้ง15วันอบอกว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายย่อมทรงพยายามเพื่อจะหลอกลวงแม้ด้วยเครื่องบ ร, รัญการเพื่อยึดเอาราชสมบัติของพระราชาบางพระองค์ให้แก่ตน พระราชาของพวกเราเนี่ยทรงทำอะไรเนะเนี่ยนะก็คเคยคิดว่าปกติเนี่ยบางทีมันก็เป็นแผนอีกวิธีหนึ่งใช่ไแผนส่งเครื่องบรรณาการเนี่ยนะก็เพื่อจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่นี่ไม่ใช่พระราชาทรงสดับเสียงตะโกนแล้วก็พระราชลำมริว่าเราจะทำรงไว้ซึ่งราชสมบัติหรือภาษาสดาเอาอะไรดีเนะี่ย ลำดับนั้นพระองค์ก็มีพระราชะดำริว่าประธานและมหาอมาตย์ของประธานย่อมไม่อาจเพื่อจะนับความที่เราสเสวยราชสมบัติได้เราจักทำรงไว้ซึ่งภาษาศาสนาของภาษาสดาก็ปแปลว่าเนี่ยจะประโยชน์อะไรด้วยการครองราชัางั้นนะก็เลยจับพระแสงดาบที่ทรงไว้บนที่บรรทมนั่นแหละตัดพระเเคสาแล้วก็เปิดศรีหบัญชรโยนผมเนี่ยลงไปพร้อมกับจุรนะจุธามณี ให้ตกลงในถ้ำกลางบริษัทว่าท่านทั้งหลายจงถือเอากรรมเกษานี่ครองราชไปเถิดเอาผมนี่ไปปกครองบ้านเมืองกปแล้วกันมหาชนก็ทําพระเกษานั้นนขึ้นแล้วก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าแต่สมมติเทพพระราชาทั้งหลายเชื่อว่าได้พระราชบัญญัติจากสํานักพระสหายแล้วย่อมเป็นเช่นกับพระองค์พระเกษาและพระมสุ ประมาณสององคุลีแม่ของพระราชาได้มีแล้วได้ยินว่าพระเกษาและพระมสุเกิดเป็นเช่นกับบรรฑ์ประชาของพระโพธิสัตว์นั่นแหลเป็นคนพิเศษะนะก็คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเลยลําดับนั้นก็ส่งส่งมหาเล็กประจําพระองค์ให้ไปนําผ้าย้อมน้ําฝาดกาสาวพัดสองผืนบาดดินจากตลาดแล้วก็อุทิศเจาะจงต่อพระาศาสดาว่าพระอรหันต์เหล่าใดในโลกเราบวชอุทิศพระอรหันต์เหล่านั้นดังนี้ แล้กนุ่งหม่มนงผ้ากาสาวะผืนหนึ่งห่มพืนหนึ่งสะพายบาดถือพระถือทานพระกรสะเสด็จจงกรมไปมาสองสาครั้งบนพื้นใหญ่ด้วยพระราชดำริว่าบรรประชาของเราเนี่ยงามหรือไม่ลองเดินดูนะสวมบาตรใส่จีวรแล้วก็ลองเดินดูสิเป็นยังไงก็ทร า, าบว่าบรรประชาของเรางามก็เปิดพระทวารเสด็จลงจากพระปราศาทก็ประชาชนทั้งหลายเห็นนางเอ๋อ ประชาชนทั้งหลายเห็นนางฟ้อนผู้ยืนอยู่ที่ประตูทั้งสมเป็นต้นแต่จำพระราชานั้นอนะซึ่งเสด็จลงมาไม่ได้ไม่มีใครจำได้เลยนะเอ๊ะแป๊บเดียวเองนะทำไมจำไม่ได้นะตัดผมตัดอะไรออกไปถอดอะไรบางอย่างออกไปก็จำกันไม่ได้แล้วก็พากันคิดว่าพระประเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาเพื่อแสดงธรรมกถาแก่พระราชาของพวกเรา แต่ครั้นขึ้นไปบนปราสาทแล้วเห็นแต่ที่ประทับยืนที่ประทับนั่งเป็นต้นของพระราชารู้ว่าพระราชาเนี่ยเสด็จไปเสียแล้วจึงพากัน ร, ร้องให้พร้อมกันทีเดียวเมื่อชนในเรือกำลังอับปางจมน้ำใน่ามกลางสมุทรฉะนั้นคือร้องให้เหมือนกับว่าเรือมันจะจมอ่ะนะเสนีทั้ง18เนี่ยนะก็คือกองทัพเนี่ยนะ ชาวพนครทั้งหมดและพลพลกายทั้งหลายพากันเวทล้อมกุลบุตรผู้ศักว่าเสด็จลงสู่พื้นแผ่นดินแล้วร้องเป็นเสียงเดียวกันนะนะก็มีการประชุมบ้านเมืองทั้งหมดนะนะฝ่ายอมมาทั้งหลายกราบทูลแดกกุลบุตรนั้นว่าข้าแต่เทวะธรรมดาพระราชาทั้งหลายในมัชชิมะประเทศทรงมีมายามากขอพระองค์ได้โปรดส่งพระราชสารไปว่าขึ้นเชื่อว่าพระพุทธรัตนะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วหรือไม่ ส่งทรงาบแล้วจักเสด็จไปขอเดชะขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดอ น, นะให้กล่าวว่าให้ทหารไปสืบดูก่อนเถอะว่าจริงหรือเปล่าวอั้นพระเจ้าปุกุสาติก็บอกว่าเราเชื่อพระสหายของเราเรากับพระสหายนั้นไม่มีความต่างกันพวกเจ้าจงหยุดเถิดเนี่ยนะอมมามัดไม่ต้องพูดมากแล้วว่าอันอามัดเหล่านั้นก็ติดตามเสด็จนั่นเที่ยวกุลบุตรก็ทรงเอาทานพระกรเนี่ยขีดเป็นตัวหนังสือตรัสว่าราชสมบัตินี้เป็นของใคร บอกของพระองค์ขอดีช้าว่างันผู้ใดทำตัวหนังสือนี้ในระหว่างบุคคลนั้นเพิงให้เสวยราชอำนาจหมายความว่าถ้าใครลบตัวหนังสือนี้ได้เป็นพระราชาไปเลยว่างันพระเทวีนามว่าศรีลีเนี่ยพระพระเทวีศรีบาลีเนี่ยมเหสีใครพระมเหสีของพระมหาชนกนะนะก็ไม่อาจเพื่อจะทำลายพระอักษรที่พระโพธิสัตว์ทำแล้วในพระมหาชนกชาดกให้มีระหว่างเสด็จกลับไป มหาชนก็ได้ไปตามทางที่พระเทวีนั้นเสด็จไปก็ก็มหาชนไม่อาจเพื่อทําพระอักษร น, นั้นให้มีในระหว่างชาวพระนครทําพระอักษร น, นั้นไว้เหนือศีรษะกลับไปร้องให้แล้วนะี่ยก็กลับร้องให้กลับไปกันมหาชนคิดว่ากุลบุตรนี้จักให้กุลบุตรนี้จักให้ไม้สีฟันหรือน้ําม้วนปากในสถานที่เราไปแล้วดังนี้ เมื่อไม่ได้อะไรโดยที่สุดแม้เศษผ้าก็หลีกไปได้ยินว่ากุลบุตรนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาของเราเสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงบรรพชาพระองค์เดียวนะเสด็จไปพระองค์เดียวเราละอายต่อพระศาสดาได้ยินว่าพระศาสดาของเราเนี่ยทรงบรรพชาแล้วไม่เสด็จขึ้นยานไม่ทรงสวมฉลองพระบาทคือไม่ใส่รองเท้าเนี่ยโดยที่สุดแม้แต่รองเท้าชั้นเดียวไม่ทรงกันร่วมกระดาษ มหาชนขึ้นต้นไม้เนี่ยนะขึ้นต้นไม้บ้างขึ้นกำแพงบ้างขึ้นป้อมเป็นต้นแลดูว่าพระราชาของเราเสด็จไปดังนี้กุลบดคิดว่าเราเดินทางไกลไม่อาจเพื่อจะไปทางหนึ่งได้ก็เลยเสด็จติดตามพ่อค้าพวกหนึ่ง <c oughs> เมื่อกุลบดพูดสุคุมารชาติเนี่ยนะเดินไปบนแผ่นดินที่ร้อนระอุพื้นพระบาททั้งสองข้างก็กลับน้องแตกเป็นแผลสวยทุกขเวทนาเนี่ยนะพอเดินไปวันสองวันนี้ก็เท้านี่ก็พองแ ล, ะละ้วล่ะ พื้นทรายเนี่ยมันร้อนมากนะถ้าใครเคยเดินเท้าเปล่าบนพื้นทรายร้อนระอุนี่จะรู้เลยว่าฝ่าเท้าเนี่ยลอกเลยลอกข้างในนะไม่ได้ลอกข้างนอกลอกข้างในเลยเมื่อพวกพ่อค้าตั้งค่ายพักแล้วกุรอบดก็ลงจากทางณที่นั้นที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าผู้ทําบริกรรมเท้าแปลว่านวดเท้าหรือนวดหลังในที่นั่งก็ไม่มีกุรอบดก็เข้าอาณาปานะจัตุทชาญขม่มความลําบาก ในทางความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนยังเวลาให้ผ่านไปด้วยความยินดีในฌานเพราะฉะนั้นเขานั่งพักที่ไหนท่านก็นั่งเข้าฌานที่นั่นก็เลยมีความสุขอยู่ได้